เดี๋ยวเราก็มีอทิศทางวาต่างๆของรูปของนามไม่ใช่กายใช่ใจใช่รูปเช่นนามนี้ให้ปฏิบัติตามเวลาให้ถูกต้องเวลานี้ได้สาธยายพระสูตรวดวนไหว้วพระมาเป็นเรื่องของจิตใจ เราก็ได้ทำเสร็จแล้วจิตใจก็ได้ถูกคุณภาพมีคุณภาพและแสดงออกจิตใสใจตามแัะนเป็นสัตว์ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้สมบัติเราเล้จะดงออกโดยหายใจเข้าได้หายใจออก ด้มีมีดติเป็นเฉียงออกไว้ในคำสั่งสอนที่เป็นความถูกต้องปฏิบัติ ด, ดีแล้วเราก็ได้ดูตัวเองปฏิบัติตรงแล้วโดยทำโดยทำแล้วปฏิบั ต, บต ออกจากทุก์แล้วได้ทำแล้วปฏิบัติเป็นสถาบันได้ทำอย่างนี้ตลอดเวลาสม่าเสมอนี่เห็นจริงเวทลมที่เราได้แสดงออกถึงจิตถึงใจสอนต้องกายสอนล้างใจ หายใจเข้าหายใจออกแต่ละบทแต่ละวรรคพอดีพอดีอดปอดได้บริหารต้องให้ปอดมีพลังเมื่อปลอดมีพลั ง, งเส้นแข็งก็พอกเลือดพอ ก, กลมได้ดีก็มีสุขภาพหนูเนี่ยนี่ประโยชน์ดังนั้น อีกสักชั่วโมองข้างหน้าเกี่ยวกับลมไส้อาจจะออกโยคะหรือจงกรมเพื่อนไหวทะให้ขับถ่ายได้ชั่วโมองข้างหน้าเป็นลมไส้เป็นกระเพาะต่อไปก็จะเกิดความหิวอาหารตามหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ก็ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นเราก็ได้เชื่อความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับร่างขายจิตใจของเราเราได้เจริญสติสมรชชัญญาสมผาดเข้าถึงกายถึงใจได้สอนกายได้สอนจิตใจ ในข่าวเดียวกันกายก็ให้เกิดความรู้จึกตัวความรู้จึกตัวด้วยกุ้มของกายเวลาใดที่จิตทีมันคชิดเทวันของจิตที่มันคชิดก็ได้รู้จึกตัวก็ได้สอนจิตต้นตตของกอมทั้งหลายเกิดจากความเชิด เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้พอดีพอดีได้เห็นความคิดความคิดอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ควรจะตั้งใจคิดอิ่งใดเวลานี้วางไว้ก่อนให้ออกายออกใจมาทำหน้าที่ให้เกิดความรู้สึกตัวไปเสียก่อน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 ก็จะเกิดคุณภาพขึ้นมาเวลามันชิดได้รู้จึกตัวอะไรที่มันคิดเกิดจากจิตที่มันคิดนี่เป็นความรู้จึกตัวหลายข้างหลายโหนเข้าไปจิตใจก็คุ้นเคยเมื่อไดคิดเถื่อนๆแต่ก่อนอะไรก็คิดได้ พอมอมีสติก็อายคิดไม่ได้เวลาคิดแต่ทีใดที่ไม่ถูกต้องก็ตกใจถือว่าตัวเองมีความผิดใดสอนจิดได้เปลี่ยนใหม่เรียกว่าปฏิบัติใหม่ทำสิ่งได้ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องก็จบจิตข้างแล้วข้างเล่า ได้เห็นความคิดที่เป็นต้นตําเนิรตของกรรมทั้งหลายได้ทำตรงนี้ประตูแห่งบาปแห่งบุญอยู่ตรงนี้ได้ปิดประตูบาปได้เปิดประตูบุญข้าว่าได้จึงเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ได้สอนกายสอนใจ แต่ก่อนนี้เรามาค่อย้รู้สึกตัวตรงนี้กันก็ใช่ความคิดได้ทุกอย่างจนเป็นเจหลิตนิสัยเคยไหลไปทางอื่นง่ายๆอลางคืนก็ว่าขวัญกลางวันก็ว่าคิดกลคนเป็นควนักลางวานันเป็มเปลวมอมาเห็น หเหตเหตนต้นตอของมันเนี่ยมันก็สนุกสอนสนุกสอจิตเหตนความไม่ถูกต้องเกิดจากจิตแยๆ่ๆก็เลยสอนทุกขังที่มันผิดในข่าวเดียวกันนั่นเช่นความคิดกี่คาเป็นทุกข์ความคิดภัยเกิดความพอใจความคิดภัยเกิดความไม่พอใจ ได้เกิดความรู้ขึ้นซะความพอใจความไม่พอใจก็ไม่มีสิ์ที่จะมาใช่จิตได้จิตไม่เคยไปรับใช้กับสิ่งเหล่านั้นไปไม่ถับไปถึงนั่นหยุดไว้ก่อนเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกเวลาอันตรายเกิดขึ้นไว้แม่จะคัอ่วอไว้ก่อน ปอดไปไว้ก่อนเดเลยจิตถูกสอนสอนอยู่แค่นี้บ่อยๆต่อไปต่อไปจิตมาจะดูจิตเองนี่จตด ด, ด, ดดูกิตมีจิตดูจิตต่อไปจะเป็นอย่างนั้นให้ตัวมันเองกายดูกายจิต ด, ดูกิต เป็นดาตโนมัิก็อาจจะง่ายขึ้นใหม่ๆก็ทวนกระแสสักหน่อยมันไหลพอวทวนกระแสแล้วก็จะอยู่เหมือนขับรถขึ้นมอขึ้นที่สูงทวนจักหน่อยพอมันขึ้นสูงได้ก็ง่ายๆประเดรู้ง่ายกว่าหลง ถ้าฝึกไปฝึกไปมันเป็นไปได้จิตของคนเราเนี่ยมันฝึกได้มันสอนได้แต่งโยนคนร่อยอย่างอุคริมาลก็ยังสอนได้หลายหลายชีวิตที่ถูกสอนเรื่องความจิตให้เป็นความถูกแค่นี่มันเปลี่ยนได้ทุกคนทุกชีวิตแล้วก็สอนตรงนี้กัน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 แต่เชื่อใจไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรสมร้อยคุ้มดีใจก็พึ่งไม่ได้กายก็ทำอย่างอื่นเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็รับใช้มันแต่พื้นต่พื้นเหมือนเสือหกบากในร่างกายนี้ในรูปนี้ แต่และปากกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารให้เหมือนกินทุกปากทังกายมก็มีตามีหูมีลูกมีรสมีกินมีเสียงหูก็ชอบหลืออาหารแบบหนึง่งตาก็ชอบอาหารแบบหนึง่งจมูกก็ชอบอาหารแบบหนึง่งกายก็ชอบอาหารแบบหนึง่ง จิตใจก็ชอบแล้วแต่จะบันหยาดเอาสมมติเรอสิ่งที่เคยชอบกว่าไม่ชอบกว่าเมกืบกอกหลอกกลวงเก่งใจิตใจเหมือนลิงอยู่นิ่งไม่เป็นก็ไม่สงสนะ่วนหรอกเหมือนเลี้ยงตาเหมือนงูหูก็เหมือนนก จมูกเหมือนสุนักบ่ากายก็เหมือนสุนักอยู่ในแดนมานลิ้นก็เหมือนจร ะ, ะเข้แสวงหาคนละทางกันตัวมีสติจะเป็นอันเดียวกันแล้ววาเนี่ยสติเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ว่าใช่ตาก่าใช่หูก่ใช่จมูกลิ้นกายใจ ตีอินทียนี่ใหญ่สคคามารถกุ้งของได้ไม่ใช่ตาเป็นใหญ่ต้องการความรู้จักตัวเหมือนว่าสติเป็นเจ้าของลายจะของกิตใจเอาตาเอาหัวเอาจมูกดิ้นกายใจมารับใช้เป็นความคิด ถ้าสติเป็นใหญ่เราก็จับความคิดมาคิดมาใช่แต่ก่อนทางความคิดมันใช่เราก็อยากคิดมันก็คิดคิดจะนอนไม่หลับความคิดมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ลอยทั้งร้อยความคิดพาให้เป็นสุขได้ความคิดพาให้เป็นทุกข์ได้เอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไปกับความคิด ตัวคิดก็ไม่ใช่คิดเรื่องเดียวสุกเรื่องเดียวโดยแต่บัญญัติเอาสมมุติเอาความสุขของทุกแต่ละคนสมมติบัญญัติต่างกันไม่ใช่ปรมาจิตจะแม้แต่ความไม่ดีก็ยังบัญญัติถทมตามพอใจทําตามความไม่ดีไม่ถูกต้อง ถ้ากูได้โกรธกูไม่ได้ดา่ามันกูไม่ยอมด่ากันจนได้นี่เหมือนหยัดเอาอย่างนี้แต่กูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไม่ยอมกูต้องฆ่ามันให้ได้ตามๆความโกรธตามๆความผิดมีเยอะแยะต า, ตามความรักต า, ตามความเฉียดชันแบบไตรทุกอย่างกายใจไปทตาม ทุกอย่างถ้ามาเกิดสมมุติบัญญัติขึ้นมาตัวรูปนี่นามนี้่มันเป็นวัตถุอาการวัตถุอาการตาเห็นมองเห็นรูปก็เป็นอาการเห็นก็มีสมมุติที่ตรงนั้นด้วยตาเห็นรูปก็เกิดความพอใจและไม่พอใจก็มีเหมือนกัน หูที่เนเสียงก็บญรัติอีกว่าพอใจไม่พอใจมันก็ใช่ผิดผิดไปเอาความพอใจไม่พอใจเป็นสูบัญญัติของเป็นตัวเป็นตนไป้ะแัดนี้เห็นความจริงเห็นประลัมท์เช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้อง ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องปมัติมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สมมติบัญญัติเป็นปรมัติาศัจจะอันมีอยู่ที่ทุกที่ทุกทางในความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ในความโกรธเราก็ไม่มีความโกรธถ้ารูปปัติ์เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นวัตถุอาการที่มันอยู่กับรูปนามตามความเป็นจริง เห็นสมมุติเห็นบัญญัติถตามความเป็นจริงก็เหมือนกับว่ามีคำนูณของชีวิตไม่ใช่ไปอวดด้างคำนูณเหมือนกับการเมืองต่ความจะไปตีได้ไงคำนวณจริงๆเนี่ยจะว่าความ ทุกไม่ถูกต้องความไว้ทุกถูกต้องแค่นี้จบไปแล้วไม่ใช่อธิบายความในความทุกมันมีความไม่ทุกอธิบายอย่างไรต้องเป็นผู้ที่สัมผัสเอาฉันจะบอกได้สัมผัสเราเองเป็นปัจจัดตังแต่ละคนแต่ละชีวิต ไม่ใช่โอสมมุติไปขี้ไปแฉ่อเรื่องที่จะให้ความผิดเป็นความถูกเพื่อความถูกให้เป็นความผิดได้แต่มาเลยสาถายของใครม่อย่าสาไายของใครจะบัญญัติเดาอที่ไหวให้เห็นเหตุเห็นผลเหตุผลไม่ใช่จะจะทำจะทำมาใช่เหใช่ผลเหนือเหตุเหนือผล อธิบายไม่ได้เช่นรสหวานอธิบายความหวานอธิบายไม่ได้รสเค็มอธิบายความเค็มมันอธิบายไม่ได้รสประทรมํมมันก็เหมือนอย่างนี้อธิบายไม่ได้พระเจ้าจึงบอกปับจัยว่ามันผมว่จัน์นี่น่าดื่ม เหมือนมันดายอดโอชาแห่งโกรธที่ดรสวดประสูติจี้นี้สมบัตจันร์คือรสชาติของผู้ที่จบสมจานทร์ไม่มีไม่มีรสชาติในในความพอใจความไม่พอใจไม่มีรสพระธรรมมสผมบัตจันทร์เกิดขึ้นเหมือนยอดโอชาแห่งโกรธมันดา ผมอาจากย์เน่มันน่าดื่มเหมือนมันดาโอโจชาแห่งโครลดมีเงินมีทองชื่ออไม่ได้สมบัติด้วยชีวิตจิตใจจริงๆเดี๋ยดายคนที่มีทุกข์หนกคงไม่ทุกข์คน ม, มี ก, มมกับเขาด้านคนที่โกรธก็ไม่โกรธก็มี ก, มมกับเขาด้านแต่เขาไม่รับเอาเขามไม่เคยฝึกหัดไปทางโน้นซะ ถ้าไม่รู้จักกลับมามาสอนมันก็ทาไม่เป็นกาสอนในรู้เนี่ยจะรู้ได้ความโกรธไม่ดีนะควมไม่โกรธดีกว่ารู้ว่าความโกรธไม่ไม่ดีก็ยังพากันโกรธความทุกข์มันไม่ดีก็ยังพากันทุกข์เหมือนสอนกันไปได้ให้สอนบัดเดาว บทสมบัติที่ดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเนีอคือปัเสาะเนี่ยเวลามันคิดรู้จึกตัวเนี่ยเวลามันทุกข์รู้สึกตัวยิ่งดีมากเวลามันโกรธรู้สึกตัวยิ่งดีมากแต่ต้อ ง, องเกิดไปก่อนถ้าจะไปอยู่ตอนที่มันโกรธแล้ว ม, มันเอามาค่อยจะอยู่จึงขาดไ้ก่อน ให้เป็นขัวมั่นแนวแน่ไว้ก่อนเหมือนข้าศึกกับตำเลังคนราบให้ได้ก่อนเหมือนนักชกนักกีลาที่อยากขึ้นเวทีลงสนามต้องฝึกไว้ก่อนจะได้จัดแดงนักกีฬาออกมาไม่ว่าอะไรเป็นนายแพทย์ในณะที่สารสนกฝึกไว้ก่อน รู้ไว้ก่อนเร็วเวลาเลยเกิดขนเงิดรู้ได้ใช่ได้ทันทีตัดจินใจการด่นดวนทันเวลาตั้งการจะททำว่าสะดวกทั้งความรู้ก็ตัดจินใจกันหลังคนมันพร้อมป้าสึกก็เห็นปราบได้ทุกทุกครั้งเรื่ความคิดเป็นค่าศึก กำลังพลแคความรู้จักตัวไวยิงแม่นแม่นไวราบได้ก็จึจำนวนมากกำลังพลน้อ ย, อยก็ราบได้นี่คือสะดวกปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติตองจากทุกปฏิบัติจเป็นสถาบันมันคืออย่างนี้มันราบได้ เรียกว่าธรรมะกับมือเดียวนี่จะไปรู้จักตัวละลูกกับมาลูกจักตัวเนี่ยจะได้คือความรู้จักตัวเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้จักตัวต่อไปต่อไปการเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาความรู้จักตัวก็หล่ความชั่วความรู้จักตัวก็ทําความดี ต่มีความรู้จตัวจิกตกบลิสุดนั่นแหละฉินนั่ น, นหละสมาธินั่นแหละปัญญาฉินกาจัดความชั่วสมาธิกาจัดความชั่วปัญญากำจัดความชั่วเ อ, อื่อนนี้เป็นพลังสนับสนุนกัน ส่วนินมีสมาธิก็มีสมาธิ ม, ม, าธ ม, มีปัญญามีเพราะมีปัญญาศินก็มีเป็นะมีสินสมาธิก็มีสนับสนุนเหมือนกงจักรไปแค่เข้าแถวกั น, นดวงกลมเป็นกองจักอะไรก่อนอะไรหลังมันตออไม่ได้มันมาเป็นกองพร้อมกันหมุนไปพร้อมกัน มันใช่อันเดียวมันใช่เข้าแถวเดินน้อมแถวไต่คันนามไม่ใช่แบบด้านบนนี่น ว, ว่าทำมจากกับปาวัตตะสูตรหมุนไปที่ใดก็ลาบเรียบไปเหมือนใบรถแทักเตอร์ใบมีดรถแทักเตอร์ใบมีดรถเกรดเวลาใบมีดลงสูงขึ้นที่ใดก็เรียบไป อย่างนี้เราเจะออยังไงชีวิตเราก็มาใช้เรื่องนี้มันมีค่อจริงๆแบ่งกันกันไม่ได้กรรมใครกรรมเราตํามเาเองผู้ปฏิบัติก็ยอมึสษาด้วยตนเองทังนั้นแต่คนอื่นทำไม่ไปได้หลงเองต้องรู้เอง ตรวเองต้องรู้เอง้ำไม่ทำตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วเวลาเรามาปฏิบัติกรรมฐานมันเห็นตรงนี้กันมันให้เห็นอยู่เนี่ยเปิดตัวออกมาไปทมนี่เหมือนกับของปิดเปิดดอกแล้วของจะกพุ่พหมหายขึ้นแล้วเห็นทุกคนก็มีสติเหมือนตาภายในเป็นหน้าโลก เกิดจากกายก็เห็นเกิดจากจิตใจก็เห็นได้สอนกายได้สอนใจสอนที่ผิดได้เป็นความถูกต้องสอยเรื่องหลายอย่างความถูกวางอย่างก็แล้วไปบางจากก็หลายรอบความผิดหลายรอบก็ไม่เก่งถ้าไม่มีพลังพอก็หลายรอบ ก็พลังพอพร้อมเหิดพระอนาคามีโลอบเดียวก็หมดไปแล้วพระสุดาบันพระจิตคาคามีก็หลายโลกจึงหมดไปอุคติจัญุบุคคลอุเข้มขมเข้มแข็งกล้ากำลัง อะโดดถึงสุดยอดทีเดียวก็มีบางคนก็ต้องปี่นฝ่ายไปเช่นปัญจวัคคีย์ังธรรมพุทธเจ้านอกงอยู่ด้วยก่อนส่วนทัญญามันรู้ถามก่อนว่าปะพัทธยอมหานรรมอ จ, จักติสุดท้ายและจากกำลัง ความเพียรของปุลลุดของคนดอยนีจิตใสใจตามแค่ไหนเพียงใดทำไหมใจทำใํำไมใจเอาถึงใจทุกครัง้งสวามผัสได้ทิ้ใจนีเริ่มมันหลงลู้นะเอาถูกถึงใจแล้วได้ละความผิดเป็นความถูกแล้วทุกครัง้งที่มันผิดนี่วิชากรรมถานศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ จไม่รู้จะสอนกันอะไรอีกให้สัมผัสเองได้เห็นทำกับมือสัมผัสได้กับมือเห็นกับตาจับมาดูเหมือนกับจับจุงมือมาดูด้วยจุงแขนจูงมือมาดูชี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยนี่เหมือนกับเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อทีสอนอยู่โน่นแล้วเรามาดูตัวเองมันก็นเหมือน จับมือว่าดูอย่าเข้าไปในความคิดให้เห็นมันคิดอย่าเป็นผู้เข้าไปในความคิดเวลามันทุกข์ก็อย่าเข้าไปในความทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยเหมือนคนเห็นคลืน่นน้ำยืนวนฝั่งเรายืนอยู่วนฝั่งคลื่นมันมาคลือนอ่นใหญ่เมัอนจะทั่วหัวเรา พอมาเจอฝัมก็เงียบหายไปเราไม่หลงไปเล่นกับมันมันมีจริงขึ้นแล้วก็มีจริงแต่เราไม่อยู่วนฝั่งคือผู้ดูนี่เป็นผู้อยู่วนฝั่งก็าผู้เป็นก็เขาไปเล่นกับมันไอขน้ขึ้นชัดขึ้นสัดลงจุกก็ฟูขึ้นทุกข์ก็แวบ่ลงเช่นนั้นหรือ ว, ว่าไปอ ย, าอยู่กับความทุกข์ไปอยู่ความทุกข์ ถึงมาดูขึ้นฝังดูมันเนี่ยไม่ต้องไปสู้อะไรเลยนี่ง่ายอย่างนี้กรรมฐ า, านน่ะอู่ตั้งหลายจงมาดูโลกนี้ยาวสอนอย่างนี้มาดูอย่าเข้าไปเป็นกงบมันมีนมจจติดูกายเคลื่อนไหวเมื่อดูก็เห็นเห็นใจมันคิด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 ก็ไม่เป็นพรมจรรย์ได้งไงไม่ปเปื่อนนะเห็นเนี่ยไม่ปเปื่อนๆนะนี่ปลาพืชพรมจรรย์นี่แหละองค์มรคให้เห็นเนี่ยไม่นี่แหละองค์มรคคือดูเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่เป็นเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้น่าจะกระตือรือร้นนุ้ยทําง่ายอย่างนี้เขาบอกค น, นหนึ่งในลู่ตามได้เนี่ยเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุกอย่างเนี่ย เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ่นจากความโกรธเลยมาอะไรก็พ้นไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยมังนง่ายอย่างนี้คิดถึงพ่อถึงแม่อย่าไปบอกพ่ อ, พอไว้บอกแม่พ่อก็ตายไปแล้วแต่แต่แม่เนี่ยนึกว่าจะว่าไว้สอนน่าก็อยากกั็แล้วว่าเลยเอาความคิดเป็นบลาผููเลยต่องมาคิดเป็นโน่นเปนกลัวมันอะไรเกิดขึ้นมา กลักลัวก็เห็นมันกลัวไม่ใช่เป็นผู้กลัวเกิดมันคิดอะไรต่างๆมันต้องเกิดจากความคิดเดดต้โดดันจึงมาไม่สติเป็นเจ้าของกาเป็นเจ้าของจิตใจนี่จํำไงจึงจะมาเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจใยเมื่อสติเป็นเจ้าของมันก็คุ้มครอง มาคุ้มของก็ป้องกันก็เจ็กที่จะมาลบทาลายก็มันก็ชนะไม่มีคํำว่าแพ้ถ้ามีพลังดีดีมีจิตดีดีแต่ว่าต้องฝึกเอาไว้อาหารให้มีสติดูก่อยเคลื่อนไหวไปก่อนให้รู้จกดัวเหมันก็เป็นเจ้าของยึดไปก่อนยึดเกาะไว้ก่อน อะไรเกิดขึ้นมากลับมารู้ถึกตัวไว้ก่อนอย่าหาคำตอบจากความคิดให้เป็นการกระทําจริงๆเนยะนี่ขอเป็นมีตรเป็นเพื่อนขอเป็นส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากชีวิตหนึ่งก็าทำมาเดียวกันแท้ๆเนี่ยไม่ใช่คิดมาอ่านตำราที่ไม่มาสอนทุกคนก็ ยกมือพลิกมือก็รูดได้ยกมือขึ้นก็รู้ได้เนี่ยก็มือมาเคลื่อนไหวนี่ก็รู้ได้รู้เขียนเข้ารู้ได้เหยียดแขนออกก็รู้ได้เนี่ยมันทําได้อย่างนี้จึงบอกไนดะ้สิ่งที่ท่านทำได้ทุกคนทําได้ถ้ามีมือ เคื่อนมาโดยให้รูดแต่รูนั่นแ่ะถ้ามีกายเคลื่อนไหวให้รูนั่นแหะเป็นเมล็ดพันโพธิก็ว่าได้เราบอกพ่อมันงอกงามขึ้นมาไอ้งอกงามขึ้นมาหายเจเข้ารู้สึกหายเจออกรู้สึ ก, ด ก, ออ ก, กดได้ความรู้เหงกั น, กนเวลามาชิดไปรู้จึก แต่ก่อนมันคิดฟ ฟ, ฟีนะวันนี้เห้รู้จักตัวเลยก่อนเคลื่อนไหวของกิจคือมันคิดเลยได้ทุกอย่างเลยกล็มารู้จักตัวแล้วหล่ะเนาะแล้วยินว่าแม่เพี้ยนอ่าจบเจนี่สมควรเจเวลากลับพาอพ่อกัน